เป็นนั้นว่าขงันดาธนาลายที่มีความประสงค์จะพึงให้ได้ทิฏฐิคุยานนั่นก็คือขอให้านหลายจงใช้กำลังใจของท่านให้มั่นคงเรื่องความมั่นคงของจิตนี่มีความสาคัญมากเพรว่า การรักษากำลังใจไม่ว่าจะฝึกแบบไหนทั้งหมดย่อมมีผลเสมอกันตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนหมายว่ากำลังใจของท่านเข้าสู่อุปจารสมาธิหรือปัจจารชานก่านจริงที่พิคุยานนี่สา ม, มารถจะใช้กำลังจิตได้ตั้งแต่อุปจารสมาธิ แต่รูว่าไม่สามารถจะพูดพดกับโทวดาหรือพรมหรือว่าใครตัวใครได้ตามอัธยาศัยวันนี้ขอแนะนำในการตั้งกำลังใจของท่านคือว่าในดับแรกขอตั้งใจจับภาพพระการจับภาพพระนี้ก็หนักใจอยู่นิดหนึ่ง ที่เราจะบังคับให้มีสภาพแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสก็เอาเป็นว่าเราสามารถบังคับให้แจ่มใสได้เท่า น, นี้ขึ้นอยู่กําำลังใจกับกาลังใจจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่จะทำอะไรยอยู่กตามเห็นภาพพระภายในอกมีความแจ่มใสสว่างเห็นเป็นแก้วธรรมดา แก้วใสแล้ว่าแก้วมัวพ้าว่าเป็นแก้วแล้วก็เรียกว่าจิตนั้นเริ่มเข้าถึงฌานสี่ถ้าเป็นแก้วใสสะอาด จ, จัดว่าเป็นฌานสี่ละเอียดมีพู้กันทั้งด้านอารมณ์จิตที่เป็นโล ก, กีวิสัยถ้าบังเอิญจิตใจของมดาทัานนั่นไหลมีวิปัสสนาญาณพอสมควร สภาพความใสของแก้วทั้งภาพพระจะเป็นประกายออกถ้าหากว่าเป็นอรหันต์เสนเป็นดาวท้องดวงเป็นประกายท้องดวงมีความ ส, ว, สวยงดงามเป็นกรณีพิเศษมีว่าการถึงแบบฉบับที่เพิ่งทำได้ นี่สมมติว่าท่านทั้งหลายทําจิตได้ขนาดนี้โอดีหรือว่ายังทําจิตได้ไม่ถึงขนาดนี้เป็นเพียงจับภาพพระได้ทรงตัวแต่ต้องรามัดระวังหน่อนะครับถ้าการกําหนดรู้อยู่ที่ภาพพระเป็นสําคัญถ้าภาพพระสดใสดีแล้วก็เห็นสางเสิ่งทั้งหลายเรานั้นดีตามภาพพระถ้าเาเห็นภาพพระมัว เราเห็นก็เห็นหมดเหมือนกันการต่อไปความสำคัญก็มีว่าการทรงอารมณ์ให้คงที่หมายความว่าการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวการตั้งเวลาของอารมณ์นี่มีความสำคัญมากเมื่อจิตของท่านสามารถเห็นพระเป็นแก้วภาพพระนะอย่าลืมภาพพระเป็นแก้ว สายมากหรือสายน้อยหรือว่าอยู่ในขั้นอุปจาระสมาธิเชื่อว่าเราเห็นอะไรไดร้ทุกอย่างอันีต่อมานี้ก็เป็นการใช้กําลังใจตัว น, นี้เป็นการสําคัญมากขึ้นอยู่กับความการกํ า, ากลังความกล้าของจิตความกล้าของจิตที่เราจะใช้วิธีใช้เราใช้กันอย่างนี้ อันดับแรกเราใช้ที่ปิโยคุ ญ, ญานให้ความจริงเรื่องที่ปิพยคลยานนี้ท่านได้แล้วต้งพยายามหมั่นใช้ให้คล่องถาว่า น, นานๆใช้ก็มีสภาพเฟืออันดับแรกลองใช้กําลังใจของเราดู ก, ก่อนแล้วต้องสังเกตมาให้ดีนะครับถ้าหากว่าใช้แบบไหนได้ผลดีต้อารู้ว่แบบไหนได้ผลดีแล้วก็ใช้ตามนั้น นั่นก็จงอย่าใช้ประเภทที่เรียกว่าสุกเอาเผากินอย่างนี้เสียหายมามากมายแล้วสำหรับฌานโลกีนี่เสียง่ายว่าก่อนที่จะต้องการเห็นภาพอะไรก็ตั้นใจจับภาพพระให้ใสที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้อ น, นี้ก็ ก็พูดมาแล้วในขั้นอุปจาราสมาธิแล้วก็เราหนดรู้สิ่งนั้นต่อไปความจริงการปฏิบัติแบบนี้ดีแต่ว่ายังมีอุปาทานอยู่มากจะมีการพลาดอยู่มากก็ขอแนะนำในเรื่องของที่จะไม่พลาดเลยทีเดียวก็ฟังเวลามันเสียเวลา ถ้าเราต้องการจะใช้อำนาจทิบยูคุยานเพื่อเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นพรมโลกหรือเห็นว่าคนที่อยู่ในมนุษย์ม่อยู่ที่ไหนหรือว่าเห็นสิ่งทั้งหลายใดๆที่เขาซ่อนไว้เราก็ใจจับภาพพระเห็นภาพพระแจ่มใสก็ น, นึกถาม ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้อยู่ที่ไหนเป็นอะไรนั่นอันดับแรกจะเกิดจากความรู้สึกของจิตแต่ความรู้สึกของจิตตอนนี้จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยจะมีความรู้สึกเป็นภาพเวอร์สินทั้งหลายแล้ว น, นั้นเทวดาองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นเทวดาองค์นี้นรูปร่างอย่างนี้หรือพองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสามารถ ทรงกำลังจิตได้นานเราก็จะพูดกับจรดาหรือผมมรือท่านที่เห็นได้ตามอติยาใสท่านนี้ต้อหมั่นฝึกต่อไปถ้าเราใช้จุดตูปปาติยานถ้าความจริงถ้าฝึกจิตจงคล่องเดินไปเดินมาก็ใช้ตลอดเวลาคือใช้วิธีใช้ไม่ว่าจับภาพเห็นพระอยู่ตลอดเวลา คำว่าตลอดเวลานี่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยทําได้จะรู้สึกว่ามีความลาบากคิดว่าไม่ไหวแล้วทำไม่ได้แล้วท่านนี้แต่ความจริงทำได้ครับถ้าลงคล่องจริงๆมันมไม่ไม่ไม่มีอะไรหนักเหมือนกับเราเรียนหนังสือเดิมที่เดียวตัวกอตัวเดียวก็เขียนไม่ไหว ถ้าได้ขอ้อ จ, จริงอยาเห็นอะไรคนได้คนนี่ต้องฝึกแบบนี้กําลังนั่งอยู่ทํางานอยู่พูดคุยอยู่ใช้กําลังจิตในทันทีคือใช้กําลังจิตก็เห็นภาพพระได้และรู้ทันทีในเรื่องนั้นๆต่อไปก็เป็เรื่องจุตูประปาริยานที่สมาทานกันจุตูประปารติยา น, นี่ คือรู้ภาวะของคนที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนละสัตว์ที่มาเกิดนี่เดิมทีมาจากไหนอันนี้เป็นของไม่ยากถ้าคล่องในทิศจุคุยานแล้วก็ไม่มีอะไรยากเหมือนกันเห็นว่าในกอในขอในคอเนี่ยที่เขาตายไปแล้วจะเป็นดูประวัติเขาตาม น, นิพพุมาแล้วในวันก่อน พ่าอย่าสนใจในประวัติเราก็พยายามต้องการรู้อย่างเดียวโอโน๋นอคนนี้เขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราอยากจะทราบเมื่อทราบแล้วสมมติว่าเราจะลองจิตของเราเองดูก็ได้จับภาพพระให้จําใสดี แล้วก็หนดรู้ว่าคนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนเรีอกคนที่มานั่งคุยกับเรานี่เดิมทีเกิดมาจากไหนก็อนจเกิดจิตจะมีรมบอกและภาพจะปรากฏกับจิตแต่ว่าวิธีนี้อย่าใช่เลยครับถ้าคืนใช้แล้วก็ไม่เช่าป่าทานกินเราใช้จิตจับภาพพระให้เห็นแจ่มใสแล้วกําหนดจิตถามภาพพระ เรียกภาพนิมิตทีนะถามภาพพระภาพพระก็จะบอกความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตจะบอกว่าคนนี้เดิมทีมาจากนั่นจากนี้แต่ตอนนี้ถ้าสภาวะอกจิตอารมณ์จิตบอกว่ามาจากไห น, นจิตจะเห็นเป็นภาพว่าเขาเกิดในชาตินั้นในขณะที่ก่อนเขาจะมาเกิดเขามีสภาวะเป็นยังไง เราสามารถจะสอบสวนประวัติได้แม้ว่าตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนอาศัยเป็นบาปเป็นกรรมสภาวะของเขาเป็นยังไงถ้าเราเห็นภาพพระสดใสแล้วก็เหมือนเห็นเหมือนกับเราดูหนังนั่นเองแหละพ้าเราดูภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ภาครู้ภาวะการต่างๆได้หมดอันนี้เป็นจุดตวัวประปารติยาน ก็คือมาจากที่ปุญญาณต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณการลกชาติถอยหลังไม่จับภาพพระสดใสดีแล้วก็รองกำห น, นดจิตคิดว่าชช่ก่อนที่เราจะมาเกิดนี่ชาติที่หนึ่งเราเป็นอะไรถ้าภาพนั้นปลายกฏ แล้วก็พิจารณาดูว่าภาพที่ปรากฏนั้นมีอะไรใครเป็นพ่อใครเป็นแม่รูปราา่างหน้าตาเขาอะไรเป็นไงเป็นสามีพัญญาเป็นมีบทิดาเท่าไหรลองใช้กําลังของจิตแต่ถ้าว่าเพราะว่าทิ้งซะดีกว่านี่าเพราะว่าตามแบบนะถ้าตามวิธีปฏิบัติถ้าว่าว่าตามแบบแบบนี้เหนื่อยกับตาย ห้อยหลังไปทีละชาติละชาติละชาติแล้แลแลแลแลก็ไปน่าจะไปในแบบช้าๆแต่ว่าใช้วิธีรัดใช้ลมจนคล่องแล้วก็ต้องการอยากจะรู้ว่าที่เราเกิดมานี้เกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นสัตว์กี่ชาติเกิดในสัตว์ในโลกเป็นเนทวดาเป็นพรหมกี่ชาติถามพระเลย ยังง่ายกว่าแต่วิธีที่ผมเล่นมาผมเล่นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถอยหลังไปทีละชาติละชาติเหมือนกันเมื่อเหนื่อยกับใจดูว่าผมลองเล่นถอยหลังอยู่ประมาณเจ็ดชาติให้เช็ดเจ็ดชาติเนี่ยเป็นวิธีความฝืนต่อมาก็อาใหม่ไม่เอาละเดินไปถ้าเห็นคนเขายากจนเข็นใจ นึกจิตจากภาพพระนึกถามเลยว่าเคยเกิดเป็นคนจนลําบากแบบนี้มาแล้วกี่ชาติก็จะปรากฏว่าพระมีความรู้สึกขมาในใจเหมือนกัพระท่านตอบก็เกิดมาท่านั้นชาติแต่ชาติเป็นยังไงความรู้สึกเมืดอเห็นภาพแต่ละชาติที่เรามีความลําบากและมีความสมบายในฐานะเช่นนั้น ต้องการรู้ใครที่เป็นพัญญาสามีบิดามันดาภาพนั้นก็ปรากฏนี่ส บ, บายดีแล้วพูดเลยนี้ต่อไปถ้าผมเห็นสัตว์ทีฉานเป็นสุนักขก็ขดีเป็นวัวก็ดีควายก็ดีช้าง ม, มากไม่ว่าอะไรทั้งหมดผมชอบสนสนแล้ว น, นึกดูว่าเอ๊ะนี่เราเคยเกิดเป็นสัตว์น้บาน้างหรือเปล่า กอนที่รู้คนนึกภาพจิตมันก็จับพระทันทีเพราะมันคล่องต้องเล่นให้คล่องไอ้ภาพที่เราเคยเกยิดเป็นสัตว์ประเภทนี้มันจะโผล่ขึ้ น, นไไ ห, หน้าสลอนหมายความว่าไอ้หน้าสลอนนั้แต่ละหน้าน่ะหนึ่งชาติถ้าสิบชาติมันก็สิบหน้าร้อยชาติมันก็ร้อยหน้าถ้าทานายหลายจะนับจะถามว่านับไหวหรือ ก็จะ ต, ต้องบอกว่าเวลานั้นสภาพของจิตเป็นทิพย์ไม่ต้องไปนั่งนะบอกเพิ่มมารูรู้ประมาณจานวนทันทีถ้าต้องการรู้เราเป็นเทวดาหรือพรหมมีสภาวะเช่นไรก็ทำอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ง่ายดีแล้วก็ม่นยำคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ สำหับเจโตบริยญาณยตอนนี้พุทอยากให้ท่านคล่องดวงนี้เจโตบุริยญาณย น, นี้ท่านบอกสามารถรู้ว่า ร, น, าารนำจิตของคนอื่นแต่ว่าวาระน้ำจิตของเราเนื้อแท้จริงๆเราต้องการรู้ว่าระจิตของเราเป็นสำคัญคืออารมณ์จิตดูใจของเราว่าสภาพของใจของเราผ่องใสหรือไม่ผ่องใส สีของจิตมีหกอย่างแต่เอาอย่างโดยย่ออมีสามอย่างพอนี่เป็นแนวปฏิบัติเรื่องจิตของเรานี่จะต้องฝึกดูทุกวันถ้าฝึกดูจิตของเราทุกวันตื่นขึ้นมาเช้ามืดทาใจสบายแล้วก็ดูใจของตนแล้วเวลาดูใจจะพยายาม ถ้าใจมันมีสีแดงสแสดงว่าเรามีความดีใจในด้านวัตถุหรือว่าอารมณ์ที่เป็นโล ก, กีวิสัยถ้าใจมีสีโมูดและสีดำหมายความถึงอุ่นความวุ่นวายของจิตให้ใจเป็นสีแก้วสมัยหมายความว่าว น, นั่นจิตโปร่งจากกิเลสการดูจิตนี่มีความสำคัญมาก ดูของเราจะไปดูของเขาเรื่องดูของเขามันดูง่ายดูของเรามันดยูยากพยายามซักซ้อมการดูจิตให้คล่องแล้วพยายามไล่สีให้หมดถ้าจิตมันมีสีแดงก็นึกว่าเรามีความดีใจเพราะเหตุอะไรเป็นสำคัญเพรารู้เหตุก็ขับไล่เหตุทันไปที่ว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสาร ถ้าจิตมันมีสีโมเขานึกพียง ว, ว่าอารมณ์เราโมเพราะอะไรพอรู้แล้วก็ขับมันไปถือว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาทําไมจะต้องมาดีใจสมัยองนาเสียใจกับเรื่องขั้นโล ก, กีวิสัยสิ่งใดที่มันกระทบกระทั่ ง, งใจมันก็ผ่านไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตแลว้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงมันเป็นอนาคต ปัจจุบันนี้เราต้องมีอารมณ์แจ่มใสยอยู่เสมออารมณ์จะต่องทรงตัวจิตจะต้องเป็นแก้วตลอดเวลาถ้าจิตของเราเป็นแก้วธรรมดาแสดงว่าจิตอยู่ในขั้นของฌานโลกีอันนี้มันเร็วดีครับวิธีนี้การปฏิบัติเร็วมากการเข้าเป็นพระอริยเจ้าก็เร็วแต่ว่ายังสู้มโนยิธิเขาไม่ได้นะ ยังไกลกันมากความม่องไวไในไกลามากตัใช่หนื่อยมากเย็ดหลังแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะทําทจิตของเราเข้าถึงโลกุรโลตระฌานคือเป็นพระอาเดียเจ้าการศึกษาตอนนี้ก็ศึกษากับพระนั่นเองแหละไม่ต้องนั่งอ่านตาราให้มันลำบากวันทั้งวันจิตใจจับพระไว้เป็นปกติ เราศึกษากับท่านว่าทอยังไงเราจะจึงจะเป็นพระโสดาบันภาพพระนิมิก็บอกเองถ้าทำยังไงจะเป็นสกิทาคามีนาคามีอรหันต์อันดับแรกถ้ากำลังจิตของเรา อ, าอ่อนจับอารมณ์พระโสดาบันก่อนถามท่าน เ้าว่าเรารู้แบบฉบับแล้วก็ศึกษากับท่านโดยจุดที่ที่รือว่ายัางอ่อนว่าเวลานี้จิตของเราอ่อนจุดไหนตั้งใจแก้นะได้แก้ไขจุดไหนพระจะบอกเองว่าต้องแก้จุดนั้นจุดนี้แล้วเราก็แก้แก้ด้วยความตั้งใจจริงถ้าควบคุมจิตอยู่อย่างนี้เพราะว่าสองสามวันเท่า น, นั้นแหละอารมณ์จิตจะเป็นประกาย เป็นแพร่ๆมาถ้าเป็นปรรสดาบันก็จะเป็นประกายโดยรอบประมาณสักหนึ่งในสี่ถ้าจิตจะเริ่มเป็นวิปัสนาญาณเข้าใจใจเริ่มเป็นวิปัสนาญาณจิตโดยรอบจะเป็นประกายเล็กน้อยคือวงรอบรอบของจิตต่อไปก็เราศึกษาข้ามขั้นไปเลย อย่างน้อยที่สดุดเราก็ต้องการพระนาคามีพระนาคามีนี่เราก็รู้แล้วต้งตัดการมมชันทะกับปฏิฆะแล้วก็ถามพระว่าการตัดการมมชันทะกับปฏิฆะนี่จุดไหนที่เราต้องจัตัดก่อนเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าชิตเราอ่อนตรงไหนท่านก็จะบอกจุดดีไม่ดีท่านก็บอกจุดตัดปฏิฆะเลยคือความโกรธความเสียบาย ท่าน้งอกใจไรยังคล้องนังสองอย่างท่านก็ยังแะจุดการแตดับทั้งสองอย่างนั่นก็ปฏิบัติตามท่านโดยการควบคุมอารมณ์จิตของเราไว้เป็นปกติอิจมายาใสขึ้นมาเป็นปร่กายแปล่าเปล่าจนทังรู้สึกว่ามีแกนสีแดงหรือว่ามีแกนสีขาวนิดหน่อยตอนนี้อารมณ์ในการมาชันทะความต้องการในเพศ นบริิกะการกระทบกระทั่งในจิตจะไม่มีถ้าตอนถึงอนาคามีนี่ต้องลองนะลองดูสิ่งไหนที่เราเห็นว่าสวยเราเคยเห็นว่าสวยเราไปทดสอบอาการอย่างนั้นให้ไปพบจุดนั้นนั้นได้เห็นเข้าแล้วเห็นมันเกิดความซสียสเอียนในร่างกายของคนนั้นนั้นแต่ว่าถูกนั้นนั้น เนอแท้จริงๆมันไม่มีอะไรสวยมั น, นขอน่าเกลียดโสโรครกแต่วารมณ์ชินแล้วก็ดูใจของนราทุกวันแต่วันทกทั้งวันนั้นดูมันเรื่อยไปใจมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เศร้าหมองหยุดลงไปใจจะใสสะอาดเป็นแบบกายมีแกนเล็กน้อยอย่างนี้ชื่อว่าส่งความเป็นหนาคามี ยิ่งถ้าเราจะปฏิบัติในขั้นอารหาาัตผลอรหัตผลที่มีสังโยชน์ห้าคือรูปราคะติดในรูปฌานอรูปราคะติดในรูปฌานมานะติดในความทือตัวทือ ต, ตนอุทจจะอารมณ์ฟุ้งอวิชชาติดฉันทากับราคะคือพอใจโลกนี้เทวโลกและอมรโลก แล้วก็ถามพระว่าจะตัดจุดไหนมันถึงจะเร็วท่านก็จะบอกว่อบอกเราก็ตัดจุดนั้นถ้าเราตั้งใจจริงนในในสภาพแบบนี้สามารถจะตัดอารมณ์ตามที่ท่านบอกได้ภายในเจ็ดวันหรสิบห้าวันนี่นะครับการฝึกทิพย์อยู่คุยานิมีประโยชน์อย่างนี้นี่รู้จิตของเราแลไม่ต้องการไปรู้จิตของคนอื่น เรื่องจิตคนอื่นอย่าไปยุ่งเขาจะดีจะเลวมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องตัวของเราสําคัญเมื่อเราสามารถชําระจริตของเราได้จับจิตของเราได้แล้วเรื่องจิตคนอื่นไม่ง่ายกว่าจิตของเราเพียงเขาบอกชื่อคนนั่นคนนี้มาถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนนี้อยู่ระดับไหนจะเห็นจิตทันทีคนเดียวใส เป็นเบขายหรือเปล่าเจรูปสภาวะการปรากฏของเขาว่าเวลานี้เขาทรงทำอยู่ในขั้นไหนหรือว่ากําลังใจของเขาเป็นสัตว์นรกที่เรารได้ตั้งต่อไปก็เป็นเรื่องของอตีต่างสยานอนาคต่างสยานประจุปนนสยานนี่เป็นเรื่องเล็กๆครับรู้เรื่องราวนะ่าดีของคน ว่าคนราสัตว์นี่เมืก่อนนี่เขาเป็นอะไรสมัยเด็กเขารวยแล้วเขาจนเขาดีแล้วเขาเลวอันนี้เรื่องเล็กๆผมอธิบายอนาคตต่างาาาสัญญาณรู้ต่อไปข้างหน้าว่าเขาจะมีภาวะเ ป, ป, ะปะ็นยังไงปัจจุบันต่างสัญญาณเวลานี้เขาดีแล้วเขาเลวอันนี้มันยากถ้ารู้ใจของเราแลว้วก็รู้ใจของเขา แล้วก็รู้สภาวะที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องหยาบๆยังต้องการรู้นะครับมันไม่ใช่วิสัยนู่แลวความดีจะเสียต่อไปก็เป็นยะถากรมูตายานความจริงเรื่องนี้มันรอบรู้พรอ้อวันทีเดียวแต่ผมอธิบายเป็นขั้ขนๆตามแบบยถากรรมูตายานเห็คนที่ก็มีความลําบากล ะ, ละเอียดอันนี้เราก็จะรู้ได้ ว่าลาบากความทุกข์ความยากที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเพราะโทษท่านแห่งความชั่วอะไรเป็นสําคัญที่เขาสร้างไว้ในชาติก่อนหรือว่าชาติปัจจุบันที่เขามีความสุขมีความร่ํารวยมีแต่ความรื่นเริง mm. เพราะอาศัยอะไรเป็นสําคัญให้ดูของเขานะแต่ของเขาจะดูหุ่นมากนะักดูของเราดีกว่า ดูของเราว่าอยู่ดินดีในชาว บ, บ้านคํามันดา่าอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยถ้าคิดว่าเราชาติก่อนเราไม่เคยทํากับเขาชาตินี้เราก็ไม่เคยทํากับเขาให้เขาได้รับความสะเทือนใจแต่ว่าคํามันด่าเรามันอาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้ว่าเขาอยู่ดิน ด, ดีกรรมที่เป็นอกุศลคํามัด่าเราให้เขาลงนรกเล่นโก้ คนทุกที่มีอกุศลกรรมเข้ามาบังใจเนี่ยที่ พ, ร, พระพุทธเจ้าเรียกว่าปัททะปรมะเช่นเดียวกับพระเทวทัตอันนี้มองความดีไม่เห็นเห็นแต่ความชั่วอย่างเดียวมีสภาพที่แก้ไขไม่ได้ที่ีนเมื่อเราคอยจับอารมณ์ของเราว่ามันสุขมันทุกข์ก็อะไรแต่ความสุขความทุกข์จเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ให้ตัวธรรมดาเข้ามาได้ในทันอรหันต์ก็เข้ามาถึงร้บคําด่าก็เฉยๆเรียกว่าเอ๊เราดีนี่เขาด่าทําไมเราไม่มีโทษในทันแล้ว เ, เราโทรด่าเป็นความชั่วของเขาช่างเขาต่อมามีใครเขาชมให้ความชมนี่คำชมนั้นก็เฉยเห็นว่ามันเป็นสาระกันสัน จับใจของเร า, าสะอาดจจตลอดเวลามีความจริงไม่น่าจะจบวันนี้แต่ก็ขอจบแล้นว่าใช้เป็นใช้การพิจารณาแบบนี้เป็นสำคัญร่วมความว่าเราเรียนที่ปุถุญยานเพื่อรู้วาระนำจิตของตนถ้าเร่ยงวาระนำจิตของคนอื่นมีความไม่สำคัญข้อนี้มีความสำคัญอยู่ว่าวันทั้งวันต้องดูกระแสะใจของเราตลอดวัน หาท่านจะถามมาดูนี่ยังไงผมก็คงก็ต้องตอบว่าไม่ยากถ้าอยากจะรู้อมอไรเห็นใจเมื่อนั้นตัวเฉพาะอย่างยิ่งจับภาพพระสิก่อนถ้าถึงเวลาคล่องจริงๆนะครับการจับภาพพระและจับภาพกระแสจิตวัดเดียวมันได้ทันทีนี่ในการฝึกวิชาสามมันก็อยู่กันแค่นี้ผมกล่าวโดยโย่อนะเพื่อเป็นบรรทัดฐาน ถ้าวันดาพู้ท่านปฏิบัติได้ก็ยลู้สิกว่าที่กล่าววันนี้ไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็เป็นการทำให้เราเข้าถึงความเป็นพระริจ้าได้โดย ง, ง่ายซึ่งคล่องกว่าสุขวิปัสสโกมากสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วข อ, อยุติวัตเกียเ ท, ทา่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำร ง, งจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาศสยจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสงคนสวัสด